ชายหนุ่มคนหนึ่งนะชื่อเป้วันหนึ่งเขากับเพื่อนก็พากันเดินไปที่หมู่บ้านหนึ่งจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักระหว่างทางก็ผ่านทุ่งนาแล้วก็ป่าด้วยนะมีป่าผืนเล็กๆอยู่ผืนหนึ่งเพราะว่ากลางทางนี้ก็เจอลาตัวหนึ่งนะ ไม่ร่วมเป็นลาที่พัดลงมาหรือว่าเป็นลาที่หลุดมาจากป่าเป้กับเพื่อนก็เลยจับลาตัวนี้ไว้แล้วก็รอดูว่าจะมีเจ้าของมาตามหาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นว่าลาป่าที่มันพัดลงมาพราการออยู่นานก็ไม่มีใครมาอ้างเป็นเจ้าของสองคนนี้เนี่ย พอเพินกำลังร้อนเงินอยู่ก็เลยตกลงกันว่านเนี่ยให้เป้เนี่ยเอาลาตัวเนี้ไปขายที่ตลาดนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่กำลังจะไปเป้ก็จูงลาไปนะมีเพินมีเชือกนะพอที่จะจูงมันได้ไปถึงกลางทางก็เจอผู้ชายคนหนึ่งหิวปลามาเป็นพวงเลยนยะ ประมาณสักสห้าตัวได้เราก็เห็นเป้กับลาก็เลยถามว่าพี่ชายลาตัวนี้ขายหรือเปล่าเป้ก็ตอบว่าขายชายกนก็เลยบอกว่ า, างั้นผมขอลองขี่ลาตัวนี้ดูนะถ้าถูกใจก็ค่อยตกลงราคากันแล้วก็ฝากปลาเนี่ย ให้เป้ช่วยถือใชกกนั้นเนี่ยก็ขี่ลาวนอยู่หลายรอบแล้วก็ยิ่งขี่ก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หายไปเลยเป้ก็รออยู่นานนะไม่เห็นนั้งคนทั้งราวเลย ก็เลยดาว่าเนี่ยสงสัยเขาคงขี่ลาหนีไปแล้วเป้ก็เลยเดินไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านที่นัดหมายไว้เพื่อนเห็นเปก้ก็เลยถามว่าขายลาได้ยังเป้ก็ตอบพยักหนา้าอืมอขายได้เท่าไหร่เปต้ตอบว่า เท่าทุนแล้วก็แต่มีปลาสองตัวนี้เป็นปลาพวงใหญ่เนี่ยเป็นกำไรเพื่อนิงงงเลยแต่ว่าเปาเา้เขาคิดดีนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะเสียใจนะว่าเนี่ยถูกคนขโมยลาไปแต่เป้ก็มองว่าเท่าทุนนะ เท่าทุนพ อ, อะไรเพราะว่าก่อนหน้าที่จะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีลาสักตัวเลยและตอนนี้ก็ไม่มีลาเหมือนเดิมก็แปลว่าเท่าทุนแต่เขยังมองบวกนะที่จริงเนี่ยได้กำไรนะปลา4ี่ห้าตัวเนี่ยที่ได้มาเป็นพวงเนี่ยนะคือกาไร มองแบบเป้ยนี้มันก็ดีนะก็คือไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะมองว่าเท่าทุนที่จริงกำไรด้วยซ้ำคนเราถ้ามองแบบนี้บ้างเนี่ยเวลาถูกโกงเงินไปหรือสูญเสียทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า ถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมก็จะไม่เสียใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่สูญไปเนี่ยจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นรถจะเป็นเงินก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไม่มีของพื้นที่มาก่อน เพราะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเราไม่มีของเหล่านั้นอีกแล้วก็ถือว่าเท่าทุนนะที่จริงจะว่าเท่าทุนก็ไม่ได้นะเพราะว่ายังมีของอีกเยอะแยะเลยที่ยังอยู่กับเราลดหายไปเงินถูกโกงไปแต่ก็ยังมีเงินอีกหลายหมื่นหลายแสนหรือเป็นล้านอยู่ในธนาคาร ยังมีบ้านอยู่นะยังมีรายต่ออะไรอยู่มากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ายิ่งกว่าเท่าทุนอีกนะคือยังกำไรเพียงแต่กำไรลดลงทันนึนนงแต่ก็ยังกำไรอยู่เพราะอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถอยหลังไปอยู่นั่งตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีอะไรเลย เรามาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่มีถึงวันนี้เนี่ยเรามีเสื้อผ้าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีหลายตัวมีบ้านมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์มีเครื่องซักผ้ามีรถยนต์แล้วก็มีเพชรมีพลอยมีทองอีกมากมาย ถึงแม้ว่ า, า จ, จะโดนคนโกงไปแล้วก็ตามนั่นยังเรียกว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยบางคนเจอแบบนี้ก็บอกอหมดเนื้อหมดตัวแล้วอย่างเช่นถูกไฟไหม้บ้านเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวจริจริงยังมีต้องเยอะแยะนะที่เหลืออยู่หรือที่มีอยู่นะเงินฝากในธนาคารหุ้นที่ ซื้อเอาไว้หรือว่าทองหลวมทั้งที่ดินบางคนก็ยังมีบ้านหลังที่สองหลังที่สามอันจะเริกหมดเนื้อหมดตัวได้ยังไงนะยังมีอยู่เยอะเลยถ้ามาแบบ น, นี้เนี่ยนะก็ถือว่ายังกำไรนะยังกำไร ถึงแม้ว่าจะถูกแกงวิชาชีพแกงคอเซนเตอร์หลอกเอาเงินไปหลายหมื่นหลายแสยนบางคนโดนเป็นล้านแต่ก็ยังกำไรอยู่นะเพราะว่ายังมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายในขณะที่ตอนที่เราเกิดมานี่เราไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยนะนี่เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะยังไม่รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเช่นความรู้ ยวไม่รวมไปถึงพ่อแม่คนรักนะที่ยังอยู่กับเราเะว่าไปแล้วเนี่ยต่อเมื่อเราเนี่ยโดนนะสูญเสียไปจงทั้ทงเหลือแต่ตัวนั่นแหละจึงเรียกว่าเท่าทุนเดีย๋ยวบางคนเนี่ยก็โดนปลอกลอกไปแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่เหลือนะ อย่างนั้นแหละถึงเรียกว่าเท่าทุนก็มีบางคนคิดได้แบบนี้นะฉันยังเท่าทุนนัเนี่ยพาะฉันเกิดมาฉันก็ไม่มีอะไรเลยถึงวันนี้ฉันก็ไม่มีอะไรก็เรียกว่าเท่าทุนแต่ถ้ามองดีๆก็อาจจะยังกาไรอยู่นะเพราะยังมีความรู้ยังมีพ่อมีแม่ยังมีเงินฝากในธนาคารปรัญหาคือคนเราเนี่ยในเวลาเรามองเนี่ย ได้หรือเสียเนี่ยกาไรขาดทุนเนี่ยเราเรามองไม่เป็นนะหรือเราไม่รู้จักมองถ้าเรามองย้อนไปถึงสมัยที่เรายังไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยเกิดมาตัวเปล่าเราก็ยังเรียกว่ากําไรอยู่แม้ว่าจะถูกโกงนะสูญเสียทรัพย์ไฟไหม้น้ำท่วมที่จริงแล้วเราจะเท่าทุนจริงๆเนี่ยนะก็ตอนที่เราจะตายเนี่ย พอเราตายนี่ไอ้ทั้งหมดที่มีนี่ไม่เหลือเลยต้องทิ้งไว้ให้กับคนอื่นหรือว่าทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเพราะอย่างที่เรารู้กันนะเรามาแต่ตัวถึงเวลาเราไปเราก็ไปแต่ตัวแต่ก็นั่นจรินะอาจจะ ก, กาไรก็ได้นะถ้าว่าสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ไปแต่ตัวก็จริงแต่ว่าพกพาเอาเสบียงบุญ ติดตัวไปด้วยติดไปกับจิตใจอย่างนี้เรากำไรนะถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องทิ้งไว้ในโลกนี้รวมทั้งคนรักแต่ว่ามันยังก็ยังมีบุญกุศลติดตัวไปเรือว่ากำไรสามารถเป็นทุนที่จะไปสร้างถ้าเป็นความเชื่ อ, อชาวบ้านคือไปสร้างวิมานทิพย์วิมานในภพหน้าในสวรรค์ แต่บางคนก็ขาดทุนจริงๆเลยนะเพราะว่านอกจากบุญไม่มีแล้วแถมยังมีบาปบาปติดตัวไปอย่างนี้ติดลบเลยนะเรียกว่าขาดทุนเลยชีวิตทั้งชีวิตนี่นะแทนที่จะสร้างบุญเพื่อเป็นที่พึ่งในภพหน้าก็กลับมีแต่บาปซึ่งพาไปสู่อบายสู่ อ, อเวจีอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนแท้จริงนะ ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้สร้างคนงามความดีอะไรเลยมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมไอ้การขาดทุนนี่แที่เราควรจะกลัวส่วนขายของไปแล้วนะไอ้สิ่งที่ได้มาอาจจะน้อยกว่าที่ค่านี่ไม่เรียกว่าขาดทุนเท่าไหร่เพราะไม่จะซื้อซื้อ10ขาย8ดดูเหมือนขาดทุนนะ2บาทแต่ที่จริง เรายังมีอะไรมากมายนะที่อยู่กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีมาตอนที่เราแรกเกิดมาในโลกนี้ให้มองขาดทุนมองกําไรมองเท่าทุนให้ให้ถูกให้เป็นเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์นะไม่เสียใจเวลาถูกใครโกงเงินไปเวลาสูญเสียทรัพย์เพราะว่าไฟไหม้น้าท่วมแผ่นดินไหวพะถึงอย่างไรก็ยังกาไรอยู่นั่นแหละ แม้จะเหลือแต่ตัวก็ยังกำไรนะจะเท่าทุนนะก็จริงๆก็ตอนจะตายนั่นแหละแต่ก็ยังกำไรอยู่นะถ้ามีบุญมีกุศลพกพาไปด้วย